ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมหากรรมะวิพังคสูตรมัจจิมนิกายเล่มที่14ข้อที่598ิมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่พระวิหารเวรุวัน อันเคยเป็นสถานที่พระราชทานเยื่อแก่กระแตในเขตรพระนครราชกรุรุก็ในสมัยนั้นแหลท่านพระสมิทธิอยู่ในกระท่ป่าแห่งหนึ่งครั้งนั้นปริภาชกชื่อโปตาลิบุตรกำลังเดินยืดแข้งยืดขาไปตามลำดับ ได้เข้าไปหาท่านระสมิธิถึงที่อยู่แล้วทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันก็ได้นั่งนะที่กวนข้างหนึ่งปริพาชคโปรตริบุตรเมื่อนั่งแล้วได้กล่าวกับท่านพระสมิธิดังนี้ว่าท่านสมิธิข้าพระเา้าได้สดับรับมาจากเฉพาะพระพัก พระสมณโคโนมว่ากายกรรมเป็นโมฆะวจีกรรมเป็นโมฆะมโนกรรมเท่านั้นจริงและว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่สเสบยเวทนาอะไรอะไรนั้นมีอยู่ท่านพระสมิติจึงได้กล่าวว่าพริลิบุตรผู้มีอายุท่านอย่ากล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาค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 ข้าพเจ้าบวชมาเพียงสามราษาโปริบุตก็ในเมื่อภิกษุใหม่เข้าใจการระแวดระวังาศาสดาถึงอย่างนี้แล้วกลาวนี้พวกเราจะพูดอะไรกับภิกษุผู้เถระได้ท่านสมิธิบุคคลทำคำชนิดใดประกอบด้วยความจงใจแล้วด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจเขาจะสวยอะไร ปราสมิตริปุริบุตรผู้มีอายุเขาจะเสวยทุกหลังแบบนั้นปริพาชกโปตลิบุตรไม่ยินดีไม่กรดการบาปศิษฐ์ก่อนท่านพระสมิติจึงลุกจากอาสนะรีบไปแล้วครั้นปริพาชกโปตลิบุตรรีบไปแล้วไม่นานท่านพระสมิติ ได้เข้าไปหาท่านพระอา น, นุ์ถึงที่อยู่ได้ทักทายปราศัยกับท่านพระอา น, นุ์พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งลงณที่ส่วนควรข้างหนึ่งแล้วได้บอกเรื่องที่ได้สนทนากับปริพาชกชื่อโปเทริบุตรทั้งหมดแก่ท่านพระอานตน์เมื่อท่านพระสมิทธิบอกอย่างนี้แล้ว ท่านพระนนท์จึงได้กล่าวกับท่านพระสมิติดังนี้ว่าท่านสมิติเรื่องนี้มีเข้ามูลพอจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเติดเราต้องสองคนพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถิงที่ประทับกราบทูลเรื่องนี้แด่พระองค์แล้วพระองค์พยากรณ์แก่พวกเราอย่างไร เราพึงทรงจำคำพยากรณ์นั้นไว้อย่างนั้นท่านพระสมิทธิรับคำของท่านพระอนุลแล้วก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนะที่กวรก้ากหนึ่งท่านพระอนุลได้กราบทูลเรื่องเท่าที่ท่านพระสมิทธิได้สนทนากับปริพาชก ชื่อโปตลิบุตรทั้งหมดแด้พระผู้มีพระภาคเมื่อท่านพระนอนุกราบตูอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนุน์ดังนี้ว่าอานอน์แม้ความเห็นของปริพาชคโปตลิบุตรเราก็ไม่ทราบชัดฉณนเล่าเราจะทราบชัดการจนทนากันเห็นป่านนี้ได้ โมคบุรุษสมิธินี้แลได้พยากรปัญหาที่กวนแยกแยะพยากรของปริภาชกโปตลิบุตรแตเพียงแง่เดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคขึ้นดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าท่านพระสมิธิ กล่าวหมายถึงทุกข์ดังนี้แล้วไม่ว่าการสวยอารมณ์ใดๆต้องจัดเข้าในทุก์ทั้งนั้นเมื่อท่านพระอุทายีกล่าวแล้วอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนุนว่าอ น, นุนเธอจงเห็นความนอกลู่นอกทางของโมคคบุรุษอุทายีนี้เถิดเรารู้แล้วละ่ะเดี๋ยวนี้แหละ โมคคบุรุษอุทายีนี้พล่องขึ้นโดยไม่ยยบกายอานน์เบื้องต้นทีเดียวบริภาชกโปรตริบุตรถามถึงเวทนาสามถ้าโมคคบุรุษสมิทธิผู้ถูกถามนี้จะพึงพยากรณ์คือตอบไปอย่างนี้ว่าโปรตริบุตรผู้มีอายุบุคคลทำกรรมชนิดที่ประกอบ ด้วยความจงใจแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันให้ผลเป็นสุขเขาย่อมสวยสุขบุคคลทำกรรมชนิดที่ประกอบด้วยความจงใจแล้วด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจอันให้ผลเป็นทุกข์เขาย่อมสวยทุกข์บุคคลทำกรรมชนิดที่ประกอบด้วยความจงใจแล้วด้วยกายด้วยวาจา หรือโดยใจอันให้ผลไม่ทุกข์ไม่สุขเขาย่อมเสวยอะทุกขมสุขดังนี้อานอนโมค้าบุรุษสมิธิเมื่อพยากรณ์อย่างนี้แลชื่อว่าพยากรณ์คือตอบโดยชอบแก่ปริภาชกโปตลิบุตรนั้นก็แต่ว่าพวกปริภาชกผู้ถือรัที่อื่นนั้น เป็นคนโง่ไม่ฉลาดใครเล่าจะรู้มหากรรมวิพังของตาตาคตถ้าพวกเธอฟังตถาคตจำแนกมหากรรมะวิพังอยู่ในที่นั้นท่านรานน์จึงได้กราบตุ้งกืนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าแต่พระสุคตในบัดนี้เป็นการสมควรแล้ว ที่พระผู้มีพระภาคจะทรงจำแนกมหากรรมะวิพังภิกษุทั้งหลายเมื่อได้สดับต่อจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะได้ทรงจำไว้อานอนนถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปอานอนนบุคคลสี่จมพวกนี้มีอยู่ ปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเหล่าไหนเหล่าคือบคุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปมักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มักประพฤติผิดในกามมักพูดเท็จมักพูดยุยงให้แตกกันมักพูดคำหยามักเจรจาเพ้อเจอ้อ มากไปด้วยความเพ่งเลงมีจิตยพยาบาทมีความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิอยู่ในโลกนี้เมื่อเขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกก็มีบคุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปมักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ มักประพฤติปิดในกามมักพูดเด็มมักพูดจ่อเสียดมักพูดกำมยาบมักพูดเบอร์เจอร์มากไปด้วยความเพ่งเลงมีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิอยู่ในโลกนี้แล้วเมื่อเ่าตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้า ข, ของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรรมเว้นขาดจากการกล่าวเท็จเว้นขาดจากการพูดยุยงให้แต่กันเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไม่มากไปด้วยอภิชาไม่มีจิตปยาบาทมีความเห็นชอบอยู่ในโลกนี้แล้ว เขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นกาจากปานาติบาสเว้นกาจากอตินนาทานเว้นกาจากกาเมสุมิชาจารเว้นกาจากการพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพเจอ้อไม่มากไปด้วยความเพ่งเล็งคืออภิชา จิตไม่ยปยยบาทมีสัมมาธิติอยู่ในโลกนี้แล้วแต่เมื่อเขาตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกก็มีอยู่อ น, นุนสมะนะหรือปราบบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเรื่องเผากิเลสความตั้งใจมั่นความประกอบเนือง ความไม่ประมาทความใส่ใจโดยชอบย่อมถูกต้องเจโตสมาธิมีรูปทํานองที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเล่งเห็นบุคคลโน้นผู้มักทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงผู้มักถือเอาสิ่งของที่สจ้องไม่ได้ให้ผู้เปิดพติผิดในกรรมผู้มักพูดเท็จมักพูดสจอเสียด มักพูดคำหยาบมักเจรจาเพอรอเจรอมากไปด้วยความเพ่งเลงมีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดในโลกนี้และเล็งเห็นผู้นั้นที่ตายไปแล้วก็ถึงอบายทุคติมีนิบาทและนรกได้ด้วยจากสุเพียงดังทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุของสามัญมนุษย์สมณนะ หรือปรามนั้นจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเป็นอันว่ากรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีข้าพเจ้าได้เห็นบุคคล น, น้นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นต้นมีความเห็นผิดมีอกุศลธรรมทั้งหลายในโลกนี้และผู้นั้นเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาศและนรกข้าพเจ้าก็เห็นแล้ว นี้และเ่าก็กล่าวต่อไปอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเป็นนั้นว่าผู้ใดมักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นผู้มีความเห็นผิดคือประกอบอกุศลธรรมเหล่านั้นผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกจนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชุดเหล่านั้นชื่อว่า รู้ชอบส่วนเหล่าใดรู้โดยประการอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดดังนี้อานอนท์สมเณรหรือปรามนั้นจะพูดปักลงไปในเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองโดยประการนั้นแหละในที่นั้ น, น, นตามกําลังความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าอานอนท์ ส่วนสมณนะหรือบรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความตั้งใจมั่นคือสมาธิความประกอบเนืองเนืองความไม่ประมาทความใส่ใจชอบย่อมถูกต้องเจโตสมาธิมีรูปตำานงที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเล็งเห็นบุคคลนโน้นผู้มักทำชีวิต ให้ตกล่วงไปคืออกุศลธรรมทั้งหลายมีความเห็นผิดและเล็งเห็นผู้นั้นที่ตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ด้วยจากสุขอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุขของสามัญมนุษย์สำณนะหรือพรามเหล่านั้นจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้ฉเฉลิมเป็นนั้นว่ากรรมชั่วไม่มี วิบาของทุจริตไม่มีเพราะข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้มักทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเป็นต้นคืออกุศลธรรมทั้งหลายและผู้นั้นเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นนั้นว่าผู้ใดมักทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปคืออกุศลธรรมทั้งหลายผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์จนเราดรู้อย่างนี้จนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบจนเราใดรู้โดยประการอื่นความรู้ของจนเหล่านั้นผิดดังนี้อา น, นุนสมณะหรือพรามนั้นจะพูดปากลงไปในเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองโดยประการนั่นแหละในที่นั้ น, น, น ตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงยังอื่นเปล่ า, อ, านอนุนสมณะหรือพรามบางพวกมีความเพียรเเรื่องเพรากิเลสมีความตั้งใจมั่นคือสมาธิสามารถถูกต้องเจโตสมาธิมีความประกอบเนื่งเนืองมีความไม่ประมาทเป็นต้นแล้ว ยอมถูกต้องเจโตสมาธิมีรูปตำานงที่เมื่อจิตตั้งมันแล้วยอมเล็งเห็นบุคคลโน้นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นต้นคือเว้นขาดจากอากุศลธรรมทั้งหลายในโลกนี้และเล็งเห็นว่าเมื่อผู้นั้นตายไปแล้วเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ได้ด้วยจักสุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุขของสามัญมนุษย์จึงได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเป็นนนว่ากรรมดีมีวิบากของสุจริตมีเพราะข้าพระเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้เว้นจากปานาติบาตและประกอบกุศลรรมทั้งหลายในโลกนี้ผู้นั้นตายไป เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อนี้ข้าพเจ้าเห็นแล้วหนังนี้และเขาก็กล่าวต่อไปว่าท่านผู้เริญทั้งหลายเป็นนั้นว่าผู้ใดเว้นกาดจากการฆ่าสัตว์เว้นกาด จ, จากการประพฤติผิดในกรรมคือประกอบกุศลธรรมทั้งหลายผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จนเหล่าใดรู้อย่างนี้ ส่วนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบส่วนเหล่าใดรู้โดยประการอื่นความรู้ของส่วนเหล่านั้นผิดดังนี้สัมปนะหรือปรามนั้นจะพูดปากลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองโดยประการนั่นแหละในที่นั้ น, น, นตามกาลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่ า, อ, านอนุน ส่วนสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้มีความเพียนเรื่องเผากิเลสเป็นต้นถูกต้องเจโตสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมเล็งเห็นผู้เว้นกา จ, จากปานาติบาตกระทำกุศลธรรมต่างๆในโลกนี้และเล็งเห็นว่าเมื่อผู้นั้นตายไปเข้าถึงอบายทุคกกติมินิบาตและนรก ด้วยจากสุเพียงดังที่บริสุทธิ์หมดจดเรื่องจากสู่ของสามัญมนุษย์ผู้นั้นจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเหนยเป็นห น, นว่ากรรมดีไม่มีวิบากของสุจริตไม่มีเพราะข้พะาพเจ้าได้เห็นบุคคลโ น, น้นผู้เว้นกาจากกรรมชั่วต่างๆมีกุศลธรรมและผู้นั้นตายไปเข้าถึงอบายทุกติ วินิบาตและนรกในนี้แล้วเขาก็กล่าวต่อไปว่าเป็นนั้นว่าผู้ใดเว้นขาดจากปานาติบาตและมีกุศลธรรมต่างๆผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกจนเหล่าได้รู้อย่างนี้จนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบ จนเราได้รู้โดยประการอื่นความรู้ของจนเหล่านั้นผิดดังนี้อ น, อนุนสมณนะหรือปรามนั้นจะพูดปักลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองโดยประการนั่นแหละในที่นั้นตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงยังอื่นเปล่าอ น, อนุนในสมณะ หรือปรามสี่ชมพวกนี้เราอนุมัติวาทะของสมณนะหรือพรามที่กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเป็นอ น, นุากรรมชั่วมีวิบาของทุจริตมีแม่วาทะของเ่าที่กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นแล้วซึ่งบุคคลน้นผู้มักทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปคือประกอบ อกุศลธรรมทั้งหลายในโลกนี้และผู้นั้นเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตและนรกแต่นี้อ น, อนนนส่วนวาทาของเขาที่กล่าวขึ้นว่าเป็นนั้นว่าผู้ใดมักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปคือทำอกุศลธรรมทั้งหลายผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาต แลนรกดังนี้ข้อนี้เรายัางไม่อนุมัติแม้ว่าท่าของเก่าที่กล่าวขึ้นว่าจนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชอนเหล่าใดรู้โดยประการเอินความรู้ของชอนเหล่านั้นผิดดังนี้แม้นี้เราก็ยังไม่อนุมัติแม้ว่าท่าของเก่าที่พูดปาก ลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองนั่นแหละในที่นั้นๆตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่านี้เราก็ยังไม่อนุมัติข้อนั้นประเหตุไปอานอนนเพราะตถาคตมียานในมหากรรมะวิพังเป็นอย่างอื่นอานอนในสมณะ หรือปรามทั้งสี่จำพวกนั้นเราไม่อนุมัติวาทะของสมณะหรือปรามที่กล่าวขึ้นว่าเป็นนั้นว่ากรรมชั่วไม่มีวิบาของทุจริตไม่มีนั่นนี้แต่วาทะของเขาที่กล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลน้นผู้มักกระทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป คือทำอกุศลธรรมทั้งหลายในโลกนี้และผู้นั้นเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หนังนี้ในข้อนี้เราอนุมัติส่วนวาทะของกล่าวที่กล่าวว่าท่านผู้เจริญเป็นเอ็นว่าผู้มักทำอกุศลธรรมทั้งหลายผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หนังนี้ ในข้อนี้เรายัางไม่อนุมัติแม้วาท่าของเ่าที่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าได้รู้โดยประการอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดดังนี้แมในข้อนี้เราก็ยังไม่อนุมัติแม่วาท่าของเ่าที่พูดปากลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เอง เห็นเองทราบเองนั่นแหละในที่นั้นนั้นตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าในทีน่นี้เราก็ยังไม่อนุมัตินั่นไรเหตุไรอานอน์พระตถาคตมียานในมหากรรมวิพังเป็นอย่างอื่นอานอนท์ในสมณพราหมณ์ทั้งสี่จําพวกนั้น วาตาของเก่าที่ว่ากรรมดีมีวิบากของสุจริตมีดังนี้และแม่วาตาของเก่าที่ว่าข้าพเจ้าเห็นบุคคลโน้นผู้เว้นกาจากปาณ า, าติบาเว้นกาจากการทําอกุศลธรรมทั้งหลายผู้นั้นตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ในสองข้อนี้เราอนุมัติ ส่วนวาทะของเ่าที่กล่าวว่าผู้ใดเว้นกาดจากปานาิบาทและธ ร, รมกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในข้อความนี้เรายังไม่อนุมาตแม้วาทาของเ่าที่กล่าวขึ้นว่าสันเราได้รู้อย่างนี้่วนเรานั้นชื่อว่ารู้ชอบ ส่วนเราไดรู้โดยประการอื่นความรู้ของส่วนเหล่านั้นผิดในข้อนี้เราก็ยังไม่อนุมัติแม้วาทาของเขาที่พูดปักลงไปถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองนั่นแหละในทนนี่นั้นอันนี้เราก็ยังไม่อนุมัติข้อนั้นปร้ไรเพราะตถาคตมียานในมหากรรมวิพังเป็นอย่างอื่น ในสมณรพราหมณ์ทั้งสี่จำพวกนั้นเราไม่อนุมัติวาทะของสมณพราหมณ์ที่กล่าวว่ากรรมดีไม่มีวิบาของสุจริตไม่มีแต่วาทะที่เขากล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน้นผู้ทมกุศลธรรมทั้งหลายแต่ผู้นั้นตายไปกลับเข้าถึงอบายทุคติมินิบาตนั้นรก ในข้อนี้ข้าพเจ้าเห็นมาเองดังนี้ข้อนี้เราอนุมัติส่วนว่าทากของขาที่พูดปักลงใบถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองนั้นๆเป็นต้นนี้เราไม่อนุมัติอานน์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมียานในมหากรรมวิพังเป็นอย่างอื่นอานนท์ ในบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปคือทำอากกุสลธรรมทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุกติมินิบาตและนรกนี้เป็นนั้นว่าเขาทำกรรมชั่วที่ให้ผลเป็นทุกข์ไว้ในการก่อนหรือในการปลายหลัง หรือว่ามีมิจฉาทิฏฐิพร่างพร้อมสมาทานแล้วในเวลาจะตายเพราะฉะนั้นเขาตายไปจึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตและนรกก็แหละบุคคลที่เป็นผู้มักทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปคืออกุศลธรรมทั้งหลายเขาย่อมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้หรือในชาติหน้าหรือในชาติต่อๆไป ในบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้ น, นอานน์บุคคลที่มักทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปคือประกอบอกักุสลธรรมทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วกลับเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อนี้เพราะว่าเขาทำกรรมดีที่ให้ผลเป็นสุขไว้ในการก่อนๆหรือในการภายหลัง หรือว่ามีสัมมาทิฏฐิพรั่งพร้อมได้เกิดขึ้นแล้วในเวลาจะตายเพราะฉะนั้นเขาตายไปจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็แหละบุคคลที่เป็นผู้ทำอกุศลธรรมในโลกนี้นั้นเขาย่อมเสวยวิบากของกรรมนั้นในชาตินี้หรือในชาติหน้าหรือในชาติต่อๆไป อ น, อนนในบุคคลสี่พมกนั้นบุคคลที่เป็นกาดจากปานาติบาตคือมีกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวร น, นั้นเพราะเขาทำกรรมดีที่ให้ผลเป็นสุขไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังหรือว่ามีสัมมาทิติพรั่งบร้อมเกิดขึ้นในเวลาใกล้จะตาย พราะฉะนั้นเมื่อเขาตายไปจึงเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ก็แหละบุคคลที่ประพฤติกุศลธรรมต้งหลายเขาย่อมสุ่ยวิบากของรรมนั้นในชาตินี้ในชาติหน้าหรือในชาติต่อต่อไปนอนุนในบุคคลสี่จําพวกนั้นบุคคลที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือประกอบ ส่วนรทั้งหลายที่เมื่อตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตหรือนรกนี้นั่นเพราะเขาทำกรรมชั่วที่ให้ผลเป็นทุกข์ไว้ในการกร่อนหรือในการปายหลังหรือว่ามีมิจฉาทิฏฐิที่พรั้รอมเกิดขึ้นในเวลาใกล้จะตายเพราะฉะนั้นเขาตายไป จึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตและนรกก็แหละบุคคลที่ประพฤติกุศลธรรมเห็นป่านนี้เขาย่อมเสวรวิบากงกรรมนั้นในชาตินี้หรือในชาติหน้าหรือในชาติต่อต่อไปอ น, น, นุนด้วยประการนี้แหละกรรมไม่ควรส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีให้เห็นว่าควรก็มี และกรรมที่ควรแท้แท่องให้เห็นว่าควรก็มีให้เห็นว่าไม่ควรก็มีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษีนี้แล้วท่านพระอ น, นุนชื่นชมยินดีในภาษีของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหล่มหากรรมวิพังคสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ